อริยบุคคลระดับอาราหันต์ก็เรียกว่าอาสิกะคือเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษากต่อไปแล้วเพราะว่าท่านจบกิจก็เรียกว่ากระตังในอย่างคือกิจที่ท่านควรทํานั้นทําเสร็จแล้วแล้วไม่มีกิจในลักษณะใกล้เคียงกันหรือกิจในลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนตนเองนะฮะ ไม่ใช่ที่เกี่ยวกับส่วนที่ทำประโยชน์เกือกูลแก่สังคมการทำประโยชน์เือกูลแก่สังคมนั้นท่านจะต้องทำอยู่ตลอดไป อ, อัสเสกธรรมนั้นท่านบอกว่าได้แก่ส ม, มัตะสิทธิการส ม, มัตะคืออะไรคือธรรมะเป็นส่วนเหตุที่แปข้อเป็นส่วนผลที่สองข้อ ผลส่วนหนึก็คืออะไรมักมีองค์แปดประการประการแรกก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเน็นชอบเป็นปัญญาเน็นชอบพูดอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นปัญญาเห็นชอบระดับโลกิยะคือแก่สาธุชนทั่วไปเป็นปัญญาเน็นชอบในกฎของกรรมคือการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นว่าเรื่องกฎของกรรมก็จะต้องเห็นชอบทั้งสามช่วงของการกระทาในเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่สามช่วงคิเจตนาเป็นเหตุให้กระทาแล้วก็พูดออกไปแล้วก็เกิดผล เป็นดีหรือไม่ดีตามต้องควรเกเจตนาที่บุคคลทาและพูดออกไปแล้วคนทาคนพูดนั่นเองเป็นเจ้าของผลเหล่านั้นเรียกวกรรมะศกตาสาัทธาคือเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนดังนั้นหลักการสาคัญพื้นฐานเบื้องต้นของความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรซึ่งเป็นความรู้ระดับญาณของพระพุทธเจ้าวันเรื่องกรรมยังมีอยู่ทั้งสองระดับนะฮะระดับที่เป็นศรัทธาระดับที่เป็นสมาธิิแต่ระดับที่เป็นสมาธิก็แสดงว่ามีปัญญาแก่กล้ามากยิ่งขึ้นนะฮะสามารถตัดสินวินิจฉัย โดยอาศัยความเชื่อด้วยโดยอาศัยความรู้ด้วยเนี่ยฮะมาผสมกันแล้วก็วิปัสสนาสมา ธ, ธิคือปัญญาชอบในกฎของความจริงแห่งสังขารทั้งหลายก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยหรือว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเราอื่นก็เหมือนกันตัวอยู่นในกฎของปจัจจัยรัฐ คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการตั้งอยู่เพียงชั่วขณะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่องเที่ยงเรื่องตัวตนเดลัทธาวรลเที่ยงแท้ยังยืนไม่แปรผันที่ สิ่งสถิตยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะฮะตามความเชื่อถือของศาสนาส่วนใหญ่เป็นประเภทเทวนิยมเนี่ยเจะเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีอาการเลื่อนไหลเป็นนิรันต์คือเลื่อนไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ มีการแผดเผาขอให้เกิดความเลวร้อนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบันหรือบางทีก็ทั้งสองอย่างบางทีก็อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเฉตนเพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้สองตรงกันข้ามกับอัตตา ตัวตนตามที่เขาชื่อถือนะฮะไม่ใช่มีจริงแต่ว่าตามที่เขาอธิบายเขาชื่อถือกันอย่างนั้นแต่ไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พอย่อยออกไปแล้วนี่มันก็กลายเป็นของศูนย์คือไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวตนของเราอะไรไม่มีอะไรเลยนะพอย่อยเป็นอ น, นูเป็นบรมนูหายไปเลย ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างจริงๆบนแนววิปัสสนานี่เราจะเห็นว่าแม้แต่การสอนในพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพระราาก่ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเน้น ก็เป็นลักษณะของวิปัสสนาคือเห็นแจ้งชัดในขณะนั้นๆแล้วก็มัคคะสมาธิิคือปัญญาในชอบในเหตุหรือในทางดําเนินไปสู่ผลท่างดีหรือไม่ดีก็ตามนะฮะทางสุขทางทุกข์ทา ง, ททางเสื่อมทางเจริญทางนรกทางสวรรค์ก็หมายความมารู้จักทางรู้จักทางไปส่วนจะดีหรือไม่ดีก็เป็นรายละเอียด แล้วก็พระาสมาธิฏิรู้จักผลปัญญาเน้นชอบในตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระพฤติการกระทำของบุคคล เ, เช่นก็คล้ายๆกับเราอะไรล่ะเห็นมะม่วงเนี่ยเห็นผลมะม่วงก็รั่วมาจากต้นมะม่วงหรือเห็นต้นมะม่วงว่าต่อไปมันจะมีผลเป็นมะม่วงก็แสดงว่าสามารถเชื่อมโยงเหตุกับผลได้ แล้วปัญญาเห็นชอบที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเห็นชอบในโดยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเขาเรียกว่าปัจจเวคขณะสมาธิมันเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคิดเทียบเคียงไปเรื่อยๆจนเกิดเห็นชอบตามความเป็นจริงฟังคาสอนเป็นอันมากเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนในแนวปิญหะคือพิจารณาเนืงเองๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเนี่ย เราจะพบมีอยู่เป็นนั้นมากในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันทวนกระแสความรู้สึกยากต่อการที่จะทําใจให้ยอมรับความจริงได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เตรียมใจพร้อมที่จะยอมรับความจริงซึ่งบังเกิดขึ้น โดยการคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแม้แต่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งข่มยาแก้ไขเนี่ยก็เหมือนกันเรียกว่าตังคณิกาปฏิเวกขณะพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะนั้นๆในขณะที่บริโภคใช้ใช้ชสอยที่อยู่ในขณะที่ใช้สอยเครื่องนุ่งข่มในขณะที่บริโภคอาหารในขณะที่รับประทานยาเนี่ย ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปจนจนถึงก็หลังจากรับประทานอาหารไปแล้วตอนเย็นเนี่ยก็นำมาพิจารณาใหม่เขาเรียกว่าตีตะปัจเวกขณะอย่างพระเนี่ยฉันอาหารตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็กลับมาพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ ทำใจให้ยอมรับทังความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วปัจเจกขณะนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงเป็นญาณเป็นฌานไปหายไปเลยเป็นเป็นฌานเป็นญาณไปก็ยังมีปัจเจกขณะเพราะว่าการปัจเจกเนี่ยคือพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนจิตใจต้องเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในร่มเหล่านั้น แต่ยังไม่เกิดเบอร์นายคลายกำหนัดก็ยังชื่อไหว้ไม่ได้รับผลตามที่เราต้องการจริงๆและสัมมาทิฏฐิประการที่อยู่ในอริยมรรคจริงๆนะที่ว่าเต็มที่จริงๆในความสัมมาทิฏฐิที่เต็มยศเนี่ยคือปัญญาเห็นชอบในเริยสัจสี่ตามความเป็นจริงรู้ว่านี่ทุกข์ก็ทุกข์จริงรู้ว่านี่สมุทัยก็สมุทัยจริงรู้ว่านี่โรธก็นี่โรธจริง รู้ว่ามา ก, ก็เป็นมรจริงแต่ว่าสมาธิฐิระดับนี้มันเป็นผลพวงคือหมายความว่าปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเกิดเป็นญาณขึ้นมาคือคล้ายๆกับกรดวงกลมนะเราจะเห็นว่า อ, รอารยมรกเนี่ยทรงเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิร้อคล้ายๆกับวงกลม เริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็จบตรงที่ปัญญาเมื่อปัญญาสมบูรณ์แล้วการบรรลุมรรคผลก็จะบังเกิดขึ้นเดินไปที่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิก็หมุนคล้ายๆกับกวนขนมนะคือจนผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เสร็จภารากิจในตรงนั้นก็ต่อไปก็คือสัมมาสังกปะ ไปความดําริชอบได้ แ, แก่ดําริในการที่จะออกจากกามทั้งหลายหมายความว่าปัญญาจะต้องปิดแนวสมาธิทังกระป๋นี่เป็นปัญญานะฮะเหมือนกับสมาธิที่นี่เขาเป็นปัญญาก็มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมารมอยู่เนี้ยนะก็ไม่ไปไหนหรอก วัตถุกรรมก็มีแค่เนี้มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทธภัณ์ธรรมารมเนี่ยโดยมองให้เห็นแล้วเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคิดจีจะดึงกายดึงจิตออกจากวัตถุกรรมเหล่านั้นที่เราจะเห็นว่าในภาคสนามจริงๆภาคปฏิบัติจริงๆคนเราก็มีอยู่สี่ประเภทประเภทหนึกายก็ยังไม่ออกใจก็ยังไม่ออก ไม่ออกจากกามนะะอย่างภูพันหมกมุ่นอยู่ในกามกายก็คุกคลีอยู่ในกามจิตก็ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามํานองคล้ายๆท่อนไม้ที่สดแล้วก็แช่น้ำนะฮะไม้สดแช่น้ําเนี่ยมันออกมาสีเกิดไฟขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะมันเปียกทั้งยางทั้งน้ํา สิใ จ, ใจของบุคคลเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากายใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกรรมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอิสระจากพันธานาการของกรรมคุณนี่จะเป็นไปได้ยากประการต่อไปก็คือกายออกแต่ว่าใจไม่ออกหมายความว่ากายนั้นอาจจะมีรูปแบบของนักบวชของภิกษุสามเณร ของภิกษุณีของสามเณ ร, รีอะไรต่างๆแต่ว่าจิตใจจริงๆแล้วยังไม่ได้ออกอยังผัวพันหมกมุ่นยังคุ้นคิดยังบนเพ้อยังคิดถึงคะนหาสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่า ไใจออกแต่กายไม่ออกหมายความมันก็อยู่บ้านแบบชาวบ้านทัว่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ในศีลในธรรมมีการสำรวมระวังในทางการไม่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามอาจจะเป็นสามีพันญากันแต่ในนามนะอยู่กันเป็นเพื่อนแต่ว่าต่างคนต่างก็ประพฤติปรุณจันทร์ แต่บางทีก็อาจจะคนเดียวหรือพืชผลมาจันอย่า ง, งเนี้ยนี่ก็เรียกว่าใจออกแต่ว่ากายไม่ได้ออกประเภทหนึ่งออกทั้งกายทั้งจิตคือต้องเป็นพระยาบุคคลแล้วถ้าออกทั้งกายทั้งจิตนี่นะเพราะว่าถ้าเป็นปุถุชนนี่กายอาจจะออกจิตไม่ออกหรือว่าจิตออกกายไม่ออกต้องเป็นระดับพระยบุคคลจึงออกได้ทั้งกายทั้งจิต แต่ว่าตรงโน้นนะฮะต้องระดับพระนาคามีขึ้นไปเนี่ยตกลงว่ามีสองประเภทนะถ้าออกทั้งกายทางังจิตได้คือพระนาคามีกับพระอระหรันต์ตามมาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์รอกข้อต่อไปก็คืออัปยาปาดาสังกปะดำริในการไม่พยาบาทไม่อาฆาตพยาบาทดใครไม่ได้คิด เอาเรื่องอดีตมาตอบย้ำเอาเรื่องอนาคตมาคาดหวังเอาเรื่องปัจจุบันมาเน้นเรื่องทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ให้เกิดความปักใจฝังใจที่จะแก้แค้นจะโต้อตอบทำลายล่างกันเรื่ความมาคาดมาดรายความมาคาดเี่ยความพยาบาทเนี่ย เราจะเห็นว่าบางทีมันตกตะกอนใจอยู่นานแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายถอนบรรเทาให้ออกไปได้จนจิตใจเองก็หมกมุ่นคุนคิดคุกบุญด้วยความมขาดพยาบาทความเกลียดแค้นจิงชัง้องการโตตอบทํหลายล่างกนันคนที่มีปัญญาเขาไม่คิดหรอก มคิดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไปไปพยาบาทก็ทำอะไรบางทีคนที่เราพยาบาทเขานอนหลับปุ๋ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรามานอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดือดร้อนอึดอัดทืทัดอยู่แล้วประการต่อไปก็คืออวิหิงสาสังกปะคือดำริในการไม่เบียดเบียน หมายความว่ามองคนอื่นด้วยความกรุณานะฮะมองคนอื่นด้วยความกรุณามองดีปรารถนาดีต่อเขาหวังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่เขาธรรมะทั้งสามประการนี่คิดยากเพราะแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสที่แรงๆดังนั้นแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมี ความดําริดในการที่จะพยายามตอบสนองความต้องการของตนในทางกามมีความคิดในการที่จะโต้อตอบทําลายล้างขวายที่ตรงกันข้ามกับเรามีความคิดในการที่จะเบียดเบียนเ <c oughs> พราะสัญชาตญาณของสัตว์โลกนั้นมีการเบียดเบียนลองสังเกตว่าชอบนิยมชมชอบการเบียดเบียนการทําลายล้างกัน ทั้งสองประการนี้เป็นปัญญาทั้งคู่หมายความสมาธิทีก็เป็นปัญญาสมาสังกปะก็เป็นปัญญาประการต่อไปก็คือสมาวิจาการเจรจาในทางที่ชอบโดยพื้นฐานการมองคนของคนที่เรียกว่าเป็นสมาวิจาได้สบายเนี่ยหมายความมาต้องมองเขาด้วยความเป็นมิตรมองเขาด้วยความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี หากว่าเรามองเขาเป็นศัตรูแล้วพูดได้ดีไม่ได้ต้องมองด้วยความเป็นมิตรแล้วก็มีความรักความเมตตาความสงสารความเคารพความนับถือความศรัทธาความพักดีอะไรต่ออะไรต่างๆยิ่งมีความรู้สึกดีเท่าไหร่เนี่ยว่าจะมันจะออกมาเป็นสุจริตได้มากเท่านั้นเพราะการพูดเนี่ยที่จริงเราก็พูดกับคนนะนะส่วนใหญ่เราก็พูดกับคน ปุกษัตริย์สัตว์มันก็พูดอะไรกับเราไม่ได้ถึงแม้จะมีการพูดกันอยู่ก็ตามแต่เอาก็จริงสัตว์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะพูดอะไรไม่ได้ปัญหาสำคัญว่าทำยังไงจะเป็นเมตตาวาจาคือวาจาที่ก่อเป็นเมตตาความมุ่งดีปราถนานดีแต่ว่าในฐานะเป็นคนอะสามัญอะนะ ความรักก็ได้ความเมตตาก็ได้ความหวังดีก็ได้กรุณาก็ได้นะความศรัทธาก็ได้ความเรื่องใสก็ได้ความเคารพนับถือก็ได้ความจงรักภักดีก็ได้ก็แล้วแตนะ่แต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือว่ามีความรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยแล้วก็พูดวาจานั้นออกไปโดยอะไรล่ะ โดยงดเว้นจากวจีทุจิิตีสี่ประการเป็นที่น่าสังเกตนะฮะคือมันสี่ประการอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายัางไงแต่ว่าทาให้ได้ก็แล้วกันคือวจาที่เป็นสุจริตมันมีอยู่สี่ประการานั่นเองเมตตาวจานั้นเป็นพื้นฐานเป็นความคิดเป็นท่าทีที่เรามีต่อบคุคคลอื่น แต่ว่าจาที่เปล่องออกมานั้นมันจะมีอยู่สี่สลักษณะเท่านั้นครั้งแรกก็คือเป็นคําสัจคําจริงงดเว้นจากการพูดเท็จนะฮะงดเว้นจากการพูดเท็จรระดับเพราะเป็นระดับศีลระดับศีลก็พูดระดับงดเว้นงดเว้นจากการพูดเท็จคือพูดได้คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ตนได้เห็นสิ่งที่ตนได้ยินสิ่งที่ตนได้ทราบสิ่งที่ตนได้รู้มา ความจริงเป็นยังไงตนสัมผัสมาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่อําความไม่เสริมความอาความก็คือว่าเรื่องใหญ่นะทำให้เล็กเสริมความก็เรื่องเล็กทำให้ใหญ่ก็แสดงว่าเป็นการพูดเกินความจริงไปทั้งสองประการ ทีนี้ความจริงนั้นก็จริงตามประสาสัมผัสคือไม่ใช่ว่าเอาจิงระดับวิจัยอะไรอะไรเราก็ไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่หมายปมายความว่าเราสัมผัสมาได้ขนาดไหนเราก็พูดไปจริงไปตามนั้นเป็นการแสดงว่าเรามุ่งดีปรารถนานดีต่อคนที่เราพูดด้วยคือคนฟังก็ได้ประโยชน์จากการฟังสาคัญที่สุดเนี่ย คือธรรมะปฏิบัติเนี่ยเวลาไปเกี่ยวกับคนอื่นแล้วเนี่ยคนก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าเรื่องสมาทิทสัมมาสังกัปปะก็ตามคนอื่นได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ประพฤติธรรมเราได้มีธรรมะเขาเองได้รับความสุขความส ง, งบความเจริญก้าวหน้าต่างๆตามต้องควรแก่ฐานะของเขานะะที่จริงมันก็ดูกันง่ายนะฮะดูกันง่าย แต่ว่าทำยากกันนั่นเองธรรมะปฏิบัติก็ดูง่ายนิดเดียวนะฮะหมายความมาเป็นประโยชน์แกเราเองด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเราอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราเป็นคุณธรรมอยู่ภายในใจเป็นคุณภาพของจิตบิญญนดาลที่ได้สัมผัสธรรมะได้ลึกซึ้งทั้งฟังทั้งหลาย ในร่มพระโพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญข้อ ง, งามไปบูรณนธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี